พิจิตพิจุโนโลกอย่างจังหวัดตราดอย่างนี้เข้ามารุ่งพ่อก็ถามรู้จักหลวงพ่อได้ยังไงรู้จักวัดนาับน้อยได้ยังไงก็บอกว่าโดยมากนะช่วงนี้นะก็บอกว่าเห็นหลวงพ่อในโทรทัศน์ในงานหลวงตาเห็นหลวงพ่อในโทรทัศน์ในงานหลวงตานโอ้แสดงว่าโทรทัศน์ข่าวนั้นดังพอสมควรนเนาะ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 หลวงตาท่านพูดไว้อย่างนั้นก่อนนะสรุปแล้วหลวงตามองไกลนะมองไกลมากาแล้วก็มองทางด้านเศรษฐศาสตร์ควบคนกันอย่างพวกเราเห็นไหมว่ า, าสมัยเมื่อสามสิบเก้าสี่ศูนย์เศรษฐกิจเมืองไทยของเราย่ำแย่หลวงตางก็บอกว่าเอาทองคำเข้าขัาขงหลวงพวกนักเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายก็บอกว่า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 ความคิดเห็นมันร้องแปลกแตกต่างกันให้ข้าบอกคนหนึ่งไแต่หลวงพ่อบอกว่าพวกเราทุกคนนะถ้ารักพ่อนะทุกคนต้องอยู่ในความสงบเดี๋ยวให้พ่อเราป่วยเ อ, อมีความขัดข้องหมองใจกันเรื่องอะไรเรื่องต่างๆต้องอยู่ในความสงบต้องรักกันไว้ก่อนต้องทําความเข้าใจกันไว้ก่อนนะพี่น้องทั้งหลายโดยมากหลวงพ่อจะพูดลักษณะนี้เอ อ, เ อ, อก็รู้จะเล่าหลวงตามีลูกหลายคนใช่ไหมมีลูกหลายคน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 วันที่สิบสามกับวันที่สิบสี่หลวงพ่อพูดวันที่สิบสามเมษายนพุทธศักราชสองพันร้อยสี่สิบสามเนี่ยโดยมากหลวงพ่อจะพูดเกี่ยวกับคุณบิดามารดาพ่อเะ็ะไรเพราะวันสงกรานแล้ววันปีใหม่เนี่ยโดยมา ก, ล, กลูกหลานไปทํางานในโรงงานพ่อกลับขึ้นมาแล้วก็กินเลี้ยงมาจากโรงงานเมาแต่เออบางทีขับรถขับราชนเฉียวแล้วก็ไม่รู้ละ่ะ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 เอนรกก็พ่อมาก็คนมาฟังทั้งลูกสะพ้าลูกชายทั้งหลานทั้งญาติพี่น้องมาพอก็ขึ้นมาพาม้วก็ขึ้นบนศาลาศาลาประชาคมนั่นขึ้นบนฟอซุงสนะูงเนี่ยพอขึ้นยืนเสร็จแล้วนะพามก็เลยกล่าวกล่าวเป็นคาถาที่พระพุทธเจ้าแนะนาที่พระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าสอนพราหมณ์ทำเป็นลูกเหมือนให้ด้วยนะพราหมณ์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 จะเอาไว้ทําไมเอา้าต่อไปพายภาคหน้าถ้าพ่อเป็นอำ ม, มาพฤษอำมาพาตผมจะได้ชวนลูกชายเอาตะกร้าใบนี้กับจอบมาฝังพ่อเหมือนกับพ่อมาฝังปู่เนี่ยมันพ่อเขาลีอึงละไปไปไปไามกลับเอาทําไมจึงกลับไม่ได้เดี๋ยวกรรมตามสนองอไม่ได้เดี๋ยวกรมตามสนองก็เลยเลยหามกลับมา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 แต่เมืองตะกัศีลาเนี่ยเมืองทาริบันทุกวันนี้นะเออเมืองที่เมืองทาลิบันที่มันลบกันอยู่เดียวเนี่ยนะนี่แหละเมืองตะกัศิลาเก่าแก่แลนะ้วนีพอมีพระพุทธรูปยืนที่เขาไอ้ทาลีบันเขายิงขาพระพุทธรูปรที่ทําลายพระโต๊ะคือเมืองทาลีบันคือเมืองตะกัศิลาเก่าแต่เมืองนี่เป็นเมืองที่กันดานมากเป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขาโดยมากาทิะปาโมกจะเกิดอยู่ที่กันดานที่แห้งแล้งเห็นไหมอย่างตะโกน